ศัพท์ในที่นี้คือคําหรือเสียงสัตราของมีคมเป็นเครื่องฟันแทงมีดดาบหอกหรือเหลาเป็นตน้นสุกกลลปักข้างขึ้นสิบห้าวันเป็นหนึ่งสุกกลลปัก สกทธาคามีมักมักที่เป็นเหตุละสัจทิฏฐิวิจิกิจชาศิลปพตาปรามาดได้เด็ดขาดกับธรราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงสกทธาคามีพระผู้ตั้งอยู่ในสกทธาคามีมักสกทธาคามีผลซึ่งจัดเป็นพระอริยบุคคลคู่ที่สอง สกัดสัญญาสำคัญว่าเป็นของตนเข้าใจว่าเป็นของตนรู้สึกว่าเป็นของตนสจิตตะกมีจิตเจือแกล้งจงใจคือรู้อยู่และมีเจตนาเป็นชื่อของอาบัติพวกหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยสมุฐานมีเจตนาคือต้องจงใจทํำ จึงจะต้องอาบัตินั้นซึ่งตรงข้ามกับอาจิตกะที่แม้ไม่รู้ไม่เจตนาก็ต้องอาบัติสาเตกิจชาแก้ไขได้ทำให้พ้นโทษได้ทำคืนได้ชำระให้บริสุทธิ์ได้สนทิคือต่อ หรือวิธีต่อสับและอักขระให้เนื่องกันด้วยอักขระสามานุเทศผู้มีการแสดงขึ้นว่าเป็นสมณะหมายเอาสามะเนนซึ่งเป็นเหล่าก่อแห่งสมณะสมถะฐันทกะหมวดแห่งธรรมเนียมการระ ง, งับอธิกรณ์ในคำพีจุลวั์ สมมุติตกลงกันยินยอมกันเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งการรู้ร่วมกันการตกลงร่วมกันการตกลงกันการมีมติร่วมกันหรือยอมรับร่วมกันการที่สรงประชุมกันตกลงมอบหมายหรือแต่งตั้งภิกษุให้ทากิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสมมุติภิกษุเป็นผู้ให้อวาสภิกษุณี สมมุติภิกษุเป็นพัตตุเทศผู้แจกจ่ายอาหารเป็นต้นสมาธิความตั้งมั่นความทำจิตให้นิ่งมีอารมณ์เป็นอันเดียวสมาณสังวาสีมาสีมาอันสงสมมุติให้มีสังวาสเสมอกันเขตดแดนอันสง ตกลงกันว่าให้ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมกันกับภิกษุอื่นคือมีศีลเสมอกันเข้าทำสังฆกรรมร่วมกันได้เสมอกันสมาดยอ่อนามศัพท์ตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าเป็นบทเดียวกันสมุดฐานในที่นี้ คือทางเกิดอาบัติสาวิญญาณกะทราบมีวิญญาณสหธรรมิกผู้ประพฤติธรรมร่วมกันผู้มีธรรมร่วมกันในที่นี้หมายเอาเฉพาะภิกษุสหธรรมิกกวักหมวดแห่งศิขาบทอันว่าด้วยภิกษุ ผู้ถูกภิกษุทั้งหลายกล่าวเตือนโดยชอบธรรมเป็นต้นสหอาดัยการนอนร่วมสัเพรามักง่ายใจเบาไม่คำนึงถึงความเสียหายไม่รอบคอบสังเกตตวีตินามนะการนำของฮหก้าวล่วงเขตที่ตนกำหนดไว้ สังคยนาการประชุมกันรวบรวมพระธรรมวินัยการชำระพระไตรปิฎกให้เป็นแบบเดียวกันสังฆกรรมกิจทางพระวินัยที่สงธรรมภายในสีมาสังฆาทิเศตชื่ออาบัตหนักกองหนึ่งรองจากป ร, ราชิกอาบัตที่ต้องอาศัยสง์ คือปรารถนาสงฆ์ทั้งในกรรมเบื้องต้นและในกรรมที่เหลือจึงจะพ้นได้สังหาริมาทรัพย์หรือสิ่งของซึ่งเลื่อนที่ได้สันเจตานิกามีความจงใจมีเจตนาเป็นชื่อสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งข้อที่จงใจ ทำอสุจิให้เคลื่อนเรียกเต็มว่าสัญเจตานิกาสุกะวิสัตถิสัญชาติแห่งคนว่ายากคือว่ายากสอนยากติดสันดานว่ายากตั้งแต่แรกเกิดมาคือตั้งแต่เด็กๆมาหรือแปลว่าหัวดือ้อ สัตตังคะเก้าีมีแขนมีองเจ็ดคือเท้าสี่พนักพิงหนึ่งที่วางแขนสองสัตตาหะคือเจ็ดวันสันถัดผ้าที่พระภิกษุรองนั่งไม่ได้ถอแต่ใช้หลอสัปปานวัก งวดแองศิขาบทว่าดีเรื่องภิกษุแกล้งฆ่าสัติรชานเป็นต้นสัมปทานมุสาวาทกล่าวเท็จทั้งทั้งที่รู้สัมปทานการกะหรือสัมปทานการรกผู้ทำการรับผู้รับสัมปยุทธประกอบพร้อม หรือประกอบด้วยสั ม, มุคขาวินยัยระเบียบระงับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้าสีคือพร้อมหน้าสงพร้อมหน้าบุคคลพร้อมหน้าวัตถุพร้อมหน้าธรรมวินยัยสาชีพทำเนียงเลี้ยงชีพร่วมกันเหมือนกัน สานติกะอาบัติที่เป็นไปกับด้วยการสั่งคือภิกษุทาเองก็ต้องอาบัติสั่งให้เขาทำก็ต้องอาบัติสามัญญาโวหารคำพูดที่ใช้กันตามธรรมดาสามัญญาสั์สัจธรรมดาคนที่ยังเป็นปุถุชน คือคนที่ยังไม่บรรลุอริยผลสารูปความเหมาะสมความพอเหมาะพอดีสำนองรับผิดชอบต้องรับใช้ต้องตอบแทนสิกขาบทบทที่ต้องศึกษาข้อหรือมาตรา สิงหหนเกาะลังกาสิ้นเชิงหมดสิ้นโดยไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือสีมาเขตแดนเขตที่ทรงสมมุติแล้วเรียกพัทธสีมาที่ยังไม่ได้สมมุติเรียกอภัธสีมาสุกกะ น้ำอสุจิหรือน้ำกามสุขตะวิทัติปกรหนังสือเรื่องคือพระสุคตของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปะวะเรศวริยาลงกรสุงกคาตะหนีภษีสุงสิงเล่นหัวกันยั่วเยาะยาวกัน ติดต่อเกี่ยวข้องสุธิกะปาจิตตีปาจิตตีล้วนสุราปานวัคหมวดแห่งสิกขาบทว่าด้วยเรื่องภิกษุดื่มสุราเป็นต้นสุราปานสิกขาบทสิกขาบทที่ว่าด้วยการดื่มสุราเสขียาวัฏ ธรรมเนียมที่ภิกษุและสามเณรพึงศึกษาพึงปฏิบัติคำว่าเสบจากหน้าร้อยเจ็บสาแปลว่าประพฤติเศบเมถุนการร่วมพระเวณีโซดาปฏิมักมักเป็นเหตุลาสังโยชน์ได้สามคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจชา ศิลปตะปรามาตโสดาบันพระูุตังอยู่ในโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลซึ่งจัดว่าเป็นพระอาริยบุคคลคู่ที่หนึ่ง